กราบระลึกถึงบุญคุณของคุณพระรัตนไตรเนะของหลวงพ่อกำเขียนของหลวงพ่อเทียนนะครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเราก็กราบโอากาสขอโอกาส จ, จากพระนะ <c oughs> อาจารย์สุรินนะครขอกาส จ, จากเพื่อนสาธมิก <c oughs> เจริญพรพวกเราแม่ชนะีอุบาสกอุบาสิกาอ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราก็อุทิศส่วนบุญนะส่วนกุศล มีอะไรอุทิศให้หรือยังเมื่อเช้าก็เห็นออกจากมาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองก็มีคนตั้งใจมาทำบุญเช้าบนรทุก จ, จีนหลายคนนะฮะอย่างนั้นก็อุตส่ามานะฮะมาจากโอหลายที่นะมาจากชัยภูมิก็มีโคราชก็มีนะฮะจากที่ไหนก็มีเนี่ยอุตส่ามาทบุญกัน มาตักบาตรตั้งแต่ยังไม่หกโมงเช้าเลยมาทําบุญกันตรงนี้ก็ก็เห็นความตั้งใจนะมาหนึ่งก็คือมาใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าเนาะก็ต้องตั้งใจกันแล้วก็ยังเห็นอีกอันนึงก็คือเห็นเครื่องแต่งตัวนะฮะก็ตั้งใจแต่งตัวกันมาเพื่อระลึกถึงวันนี้โดยเฉพาะเพื่อการมาทําบุญวันนี้โดยเฉพาะ แต่งสีแดงมีปักมังกรมีปักเหลรต่างๆนานาแล้วนี้ก็ตรงนี้ก็คือนี่เป็นเรื่องของการที่เหมือนกับเราได้ตั้งใจเนาะตื่นมาแต่เช้านะก็ตั้งใจทำบุญกันตรงเนี้ยพอเราตั้งใจทำบุญเราก็จะมีบุญแบ่งให้คนอื่นเนาะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเราถ้าเกิดเราไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ตั้งใจนะชีวิตเราก็ จะไหลไปตามคันลองเนาะตื่นมาก็ล้างหน้าแต่งฟันนะแล้วเดี๋ยวก็ต้องทํานูน่ทนทํานี่หาเรื่องทนะําเนาะทํางานรีบไ ป, น, น, ไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้นะจนกทั้งถึงเย็นก็โอ้ยเหนื่อยนะขอพักหน่อยขอนอนหน่อยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับชีวิตที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยวันๆหนึ่งมันก็หมดหมดไปกับเรื่องราวต่างๆที่มากมายไปหมดนะฮะ จำกันไม่หมดนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนหลักๆที่ไหลไปกับการงานเนาะไหลไปกับการกินไหลไปกับการเที่ยวเตะเฮฮาต่างๆตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นชีวิตที่เหมือนกับไหลเลื่อนไปเราไม่ได้ตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งในอย่างนั้นหรือว่าตั้งใจก็อาจจะเป็นการตั้งใจที่ไหลไปตามความอยากเนาะอย่างนั้น ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับพอจบวันขึ้นมาเออวันนี้เราจะหาบุญแบ่งให้ใครก็ไม่มีใครจะมาเตือนกันนะแต่ว่าอย่างเวลาที่เราสวดมน์นะบทสวดมน์ก็เตือนเราใช่ไหมตอนเช้าก็นอนมีการเนาะอุทิศส่วนบุญตอนเย็นก็มีการอุทิศส่วนบุญกันตรงนี้เนี่ยก็มันก็ทําให้เราเหมือนกับได้ตั้งตัวได้ตั้งตัวว่าเออจะมา ในตอนเช้าเกิดยังไม่มีบุญแบ่งให้ใครนะทั้งวันนะจนถึงเย็นเนี่ยจะไม่หลายชั่วโมงนี้ก็ยังมีเวลานะอีก12ชั่วโมงอย่างน้อยจะหาบุญที่ไหนมาแบ่งให้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในทางพุทธเราเนาะในทางพุทธเราก็เขาเรียกว่าจะเป็นญาติที่ทก็ดนะีจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีจะเป็นแม่ชีนักบวชในศาสนาพุทธเราก็ดี ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับพวกเราเข้าวัดกันก็เรียกว่าตั้งใจที่จะทําคุณงามความดียิ่งเป็นพระอย่างนี้เนาะในตอนบวชเนี่ยก็จะมีบทบทหนึ่งที่จะบอกบอกว่าพระอุปชาก็จะบอกนะบอกว่าอันนี้เรากําลังเนาะหมายถึงว่าการมาขอบวชเนี่ยหมายถึงเราจะหันหลังให้กับความไม่ดีแล้วก็หันหน้าให้กับความดี นะตรงนี้ก็คือใช่ไหมเราจะเดินหน้าไปแล้วก็มุ่งทำดีแล้วส่วนอะไรไม่ดีเราก็ทิ้งไปข้างหลังแล้วก็ไม่เหลียวกลับไปเดินซ้ำรอยตรงนั้นอีกตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่พอเราทำคุณงามความดีเราก็จะมีเาเรียกว่ามีบุญนะมีบุญที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างเมื่อเช้านี้เานะพวกหมูคนที่มานี่ก็คงจะยินดีมากๆเลยละ ที่บ้านได้มาตักบาทกันตั้งแต่เช้าของวันตุ๊ดจีนเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมแรกของของวันนะอย่างนี้แต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่ก่อนหน้านั้นอีกเพราะว่าอย่างสมมติหากว่าเราจะบอกกันบอกว่าพอเรากระพิบตาตื่นขึ้ น, นมาเราก็รู้สึกตัวกันก่อนตรงนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ก็จะบอกให้เราเนี่ยได้ฉวยโอกาสเนาะ โว์โอกาสทุกขณะเนานะเมื่อเช้าพระจันทร์สุรินก็พูดถึงหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาบอกว่าอถ้ามีเวลาหายใจเนี่ยเราต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมนะนเนี่ยใช่ไหมพระว้านั่นคือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเนาะเราจะหลับเราจะตื่นเราก็หายใจอยู่แล้วล ะ, ละแต่ว่านั่นคือพอเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการที่เรารู้สึกตัวจะรู้สึกกับการหายใจก็ได้รู้สึกกับการกระพริบตาก็ได้ รู้สึกกับการที่เราอยู่ในอิริยาบถไหนณนะตอนนั้นจะเป็นการนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงอะไรยังไงก็ตามอะไรเงี้ยนะก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นได้ทั้งหมดเพราะมานั่นคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็รอให้เรารู้สึกอยู่แล้วนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราจะนึกถึงนะที่เราจะคอยรู้สึกตัวตรงในไม้เพราะว่านั่นคือเป็นเรื่องที่ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกตัวตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราก็ได้เหมือนกับเจริญสติครั้งหนึ่งเราก็ได้เหมือนกับรู้เรื่องของตัวเราเนาะอย่างนี้อ๋อชาวนี้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้ตัวกับการกระพริบตาก่อนอย่างเนี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยเกิดวันนี้มีคนมาถามเราวันนี้เรารู้สึกตัวกับอะไรบ้างไหมอย่าเงี้นะเราก็จะได้บอกก็บอกอ๋อวันนี้นะเราตื่นมาพร้อมกับรู้ตัวว่าอืมวันนี้เรานอนตะแคงอยู่นะอย่างนี้ หรือแม่งก็เราตื่นมาพร้อมกับรู้สึกตัวไปกับการหายใจเข้าหรือหายใจออกก่อนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกอย่างมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไปรู้สึกได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกกับตรงนั้นจิตของเราก็จะไปถึงไหน <c oughs> ก็ต้องเอ๊ตื่นสายไ้ยทันหรือเปล่าจะไปทำงานทันไหมอะไรวุ่นวายไปหมดคือชีวิตที่เราตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกตัว กับช uh, e> ีวิตที่เราตื่นมาพร้อมกับความคิดที่ไหลเข้ามาแล้วก็ทำให้เราวิตกจริตหรืออาจจะทำให้เรายินดีหรืออาจจะทำให้เราต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณภาพของจิตเนี่ยจะต่างกันเพราะว่าจิตเนาะที่แบบว่าอยู่กับความรู้สึกตัวก็จะเป็นจิตที่มีกำลังกว่าในขณะที่จิตที่เหมือนกับแส้สายไปหาเนาะความชอบความไม่ชอบต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ย ถ้าสุดจิตเนี่ยก็จะไม่มีกําลังจิตก็จะเหนื่อยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรา <c oughs> ได้ทําบุญกันเนาะตั้งแต่เช้ารู้สึกตัวขึ้นมาเลยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่เราถ้าเกิดว่าเรามีกรรมฐานเนาะครูบาอาจารย์ก็ได้บอกไว้ยิ่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้บอกกรรมฐานที่อาศัยความเคลื่อนไหวเนาะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทำกรรมฐานเนี่ยตรงนี้พวกเราก็เหมือนกับได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์เขาเรียกว่ากับทุกความเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกนะบอกว่าให้เราฉวยโอกาสนะฉวยโอกาสแค่ชั่วช้างสบัดหูก็ดีชั่วงูแลบลิ้นก็ดีแป๊บเดียวเท่านี้นะ มีโอกาสเอาเลยมีโอกาสเอาเลยตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ได้ยินครั้งแรกนะคำว่าชฉวยโอกาสนี่ก็เป็นคําที่เวลาอเราอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นเหมือนกับการไปเอาเปรียบคนอื่นนะก็จะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าพอหลวงพ่อบอกว่าให้เราช่วยโอกาสรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้เป็ความรู้สึกว่าโอ้คำว่าช่วยโอกาสนี่มันเป็นคําที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นคําที่เป็นกุศลมากๆเพราะว่านั่นคือ เราอยู่กับอิริยบททางโลกนะเราก็เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเราก็มีอิริยบทต่างๆกินข้าวอาบน้ำแปลงปันอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยเอาประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตรงนั้นมาเป็นประโยชน์ในการที่เราจะมาสร้างสติกันตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเหมือนกับพอเรามารู้จักกรรมฐานเราก็เริ่มเนาะมีความรู้สึกว่านี่ ชีวิตของเราที่ไหลไหลไปทุกวันทุกวันทุกวันส0ปี20ปี30ปี40ปีมาแล้วเนี่ยแบบว่าเราไม่เคยมีหลักเนาะไม่เคยมีหลักคิดแบบนี้เลยอย่างนี้หลวงพ่อเขียนบอกบอกว่าหลังจากที่หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจธรรมเนาะหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสเทศเนาะเป็นครั้งแรกเนี่ยกับเขาเรียกว่า ยมแม่ยมพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่หลวงพ่ออายุ9้าขวบนะนั่นนั้นคือตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็แบบว่าได้รับจดหมายจากยมแม่จดหมายนั้นก็ยมแม่ก็เขียนบอกว่ายมแม่ป่วย <c oughs> ก็เหมือนกับว่าก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ยได้มาเยี่ยมเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อขาดการติดต่อไปนานแล้วสองปีไม่ได้รับข่าวคลาวอะไรเลยนั่ หลวงพ่อก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นก็รีบกลับแต่ทำานังเดียวกันเนี่ยก็พอมาถึงแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆโยมแม่ก็ไม่ได้ป่วยนะแต่โยมแม่บอกว่าคิดถึงลูกนะก็เลยใช้วิธีเขียนจดหมายไปบอกแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเสียเวลาอะไรยังไงเพราะหลวงพ่อก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสเนาะ เป็นโอกาสที่จะได้พูดนะเรื่องราวของการปฏิบัตินะให้ฟังนั่นนั่นคือวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ก็หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าก็ใชเนะก็เรียกว่าใช้วัดที่หนองแกเนาะใช่ไหมฮะหนองแกใช้วัดที่หนองแกที่แก้งคลอตรงนี้หละนะฮะเ ป, เป็นที่ที่เป็นที่ที่แบบว่าพูดธรรมะกับ ญาติญาติเจดคนนะฮะก็มีเหมือนกับมียมแม่เป็นหลักแล้วก็มีนา้ามีผู้ใหญ่บ้านมีอะไรอีกยังไง ต, งต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะรวมกันเจดคนก็ในเนื้อหาเนี่ยหลักๆหลวงพ่อบอกว่าเทศเนี่ยก็คือบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยจะไม่เอากายนี้ใจนี้ไปทำผิดคิดร้ายอะไรอืมเนาะเราฟังอย่างนี้เนี่ย ไม่เคยคิดนะฮะในชีวิตไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมฮะนี้คือความกตันยูอย่างยิ่งเนาะความกตันยูอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราเนาะพูดออกคํานี้ออกจากปากเนี่ยรับรองได้เลยว่าบุพการีของเราเนี่ยต้องต้องชื่นใจมากๆเลยเพราะว่านั่นคือเนื้อตัวของลูกเนี่ยเนาะก็เกิดมาจากเราใช่ไหมดังนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกคนหนึ่งเนี่ยจะบอกบอกว่าจะเอากายนี้เนาะ ทําคุณงามความดีนั่นก็ยังดีมากๆแล้วนะแต่ทำนาในการหลวงพ่อก็อยังจะแม้เราการปฏิบัติธรรมล้วก็จะลืมจิตใจไม่ได้นะนั่นหลวงพ่อก็บอกบอกว่าเอากายนี้ใจนี้นะไปทําคุณงามความดีจะไม่เอากายนี้ใจนี้ไปทําผิดคิดร้ายอะไรตรงเนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าก็หลวงพ่อบอกว่าด้วยคํานี้เนี่ยก็ทําให้โยมแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยก็ เหมือนกับไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้จากพระรูปไหนมาก่อนก็มีความรู้สึกชื่นชมเนาะในการที่หลวงพ่อเนี่ยออกมาบวชแล้วก็ห่างบ้านไปสองปีจริงๆแล้วหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่มาบวชเนี่ยต้องเรียกว่าหนีมานะพราที่บ้านไม่ได้เห็นด้วยกันเลยหลวงพ่อยังเหมือนกับยังบอกกับ แบบว่าเพื่อนสาธมิกเพื่อนพระด้วยกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าหลวงพ่อตายไปเนี่ยไม่ต้องบอกทางบ้านนะหมายถึงว่าอันนั้นอันนั้นในในบริบทนั้นหมายถึงว่าหลวงพ่อกําลังขุดบ่อน้ําอยู่นะฮะกำลังขุดบ่อน้ําอยู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดดินถล่มเนี่ยนัททับหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องบอกทางบ้านให้รู้เลยก็แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรด้วยนะก็ทิ้งศพไปอยู่ในบ่อนั่นแหละเสร็จจบไปเลยให้ดินเป็นกลบฝังไปเลย หลวงพ่อก็จะบอกแบบนี้นะฮะอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ได้ว่าหมายถึงว่าหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่อินังขังขอบอไปเลยกับที่บ้านไม่ใช่นะฮะอย่างนั้นหลวงพ่อก็มีใจนะมีใจกับที่บ้านตลอดเวลาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆว่าตอนที่บวชเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าที่บ้านจะอายเขานะที่หลวงพ่อมาบวชเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วหรอหรือว่า ไม่มีอะไรจะทำแล้วเหรอถึงได้มาบวชอะไรอย่างเงี้ยนเนาะนั่นะนั่นคือตรงนี้เนี่ยพอหลวงพ่อพูดเนาะพูดคำนี้ไปให้ฟังเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ยมแม่แล้วก็พวกหมู่ญาติญาติเจ็ดคนเนี่ยเนาะก็ชักชวนนะคนในหมู่บ้านเนี่ยมาฟังเทศซ้ำสองแต่ปรากฏว่าก็เขาเรียกว่าไม่ได้เทศไม่ได้เทศในวัดอีกแล้วเนะาะคราวนี้ต้องไปหาปรชาชญ์เทศ <laughs> ก็เหมือนกับคล้ายๆว่าในบทในบริบทของการเทศเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเหมือนกับว่าการละเลิกสิ่งเสพติดเนาะอะไรต่างๆเรื่องสมัยนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการกินหมาเรื่องของการสุบบุหรี่เรื่องอะไรต่างๆที่หลวงพ่อเองก็ได้พูดถึงนะฮะอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไปกระทบกับเจ้าอาวาสเนาะที่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับรวมถึงการเชื่อเรื่อง เครื่องลางของขลังในอดีตที่หลวงพ่อเองก็เคยใช้อยู่พระหลวงพ่อก็เรียกว่าก็หลวงพ่อคล้ายๆว่าเป็นหมอมน์นะ <c oughs> ก็มีมน์ปราบผีมีนู่นมีนี่อะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยพรหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจทำแล้วเนี่ยเรื่องพวกนั้นก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเองก็ได้บอกเนาะได้บอกกับญาติพี่น้องแต่ว่ารายละเอียดตรงเนี้ยน้อก็เหมือนกับว่าไม่ได้ถามหลวงพ่อแต่ว่า พอดีพระเจ้าอาวาตอนนั้นท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็มีของนะของขลังอยู่พอหลวงพ่อพูดไปกระทบท่านเนี่ยท่านก็ปิดโบสนะฮะลั่นกุญแจไม่ให้ใช้เลยแล้วปรากฏว่าพอไปอะไรนะก็เรียกว่าหลวงพ่อไปเทศครั้งที่สองในปัชชานี่ปรากฏว่ า, าอาจจะมีเสียงนะพูดเข้าหูท่านหรือ ย, ยังไงเนี่ยปรากฏว่าหลวงพ่อบอกว่ า, วาจะเอาวาท่านก็ เหมือนกับว่าหนีไปที่อื่นนะฮะแต่ก่อนนี้เนี่ยบอกว่าก็ฝังบาสนะฮะเหมือนกับบริกรำคาถาอะไรสักอย่างฝังบาสีทิศรอบโบสถ์ก็ตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่านั่นคือก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังแต่ว่าสาระสําคัญเนี่ยก็อยากให้พวกเราได้เหมือนกับตรงเนี้ยเนะถ้าเกิดว่าเราคนนึงเนาะได้ตั้งใจว่าเราจะใช้กายนี้ใจนี้เนี่ยเนาะ ทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่กลุ่มโยมเมื่อเช้าเนาะตั้งใจว่าเช้านี้จะมาทําบุญเนาะตักบาตรพระอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยเนาะการที่เราตั้งใจตรงเนี้ยก็เรียกว่าหลงพ่อเองก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นกรรมที่มีผลนะเป็นกรรมที่มีผลถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งใจนะที่จะใช้ากายนี้ใจนี้เนี่ยทำประโยชน์เนี่ยเนาะอย่างเงี้ย ตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตรงนี้กรรมที่มีผลคืออะไรคือมันเหมือนกับว่าหนึ่งเนาะเราก็ได้เหมือนกับได้เจริญสติเนาะผ่านความรู้สึกตัวตรงนี้เนาะการที่เราเนี่ยเหมือนกับตั้งใจเนาะสมมติหากว่าวันนี้เราตั้งใจจะใช้ตาเราเนาะมองเรื่องดีๆอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะอย่างนั้ น, น, นก็มันจะเหมือนกับพวกเราได้นึกถึงนะเวลาที่พวกเราตรงนี้อาจจะมีหลายคนนะที่เคยเหมือนกับ ตรวจคำผิดในหนังสือนะใช่ไหมฮะอยู่นะเราตรวจคําผิดในหนังสือเนี่ยหนังสือเรื่องนั้นเนี่ยจะเขียนเรื่องอะไรเนาะอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะอาจจะเปิดปกดูอาจจะรู้คร่าวๆนะเรื่องนี้หนังสืออันนี้เป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เวลาที่เราเปิดอ่านเนี่ยเปิดผ่านตาผ่านตาผ่านตาเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้มองอื่นๆนะนอกจากมองคําผิดอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราก็จะมองเห็นคําผิดเร็วมากเลยนะ พอเห็นคําผิดก็จะแก้ไขแล้วก็เปิดผ่านหน้าต่อไปเห็นคําผิดก็แก้ไขเปิดผ่านหน้าต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราตั้งใจไว้าเอ้ยวันนี้เนี่ยเราจะอาศัยตาของเราเนี่ยที่ได้รับมาจากเนาะตาดีๆที่ได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่เนาะอย่างเนี้ยมาลองมองดูสิ่งดีๆซิอย่างเงี้ยนะถ้าเราโปรแกรมเราเอาไว้อย่างนี้เนี่ยก็มั่นใจนะว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านสายตาเราเยอะๆไปหมดเลยเนี่ย เราก็จะคงจะเห็นเรื่องดีๆเหมือนกันเราตรวจหาคําผิดเหมือนกันนั่นนั่นคือตรงเนี้นะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นนะด้วยการที่ลองตั้งใจดูอืมเราจะใช้มือนี้เนาะทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นคุณงามความดีอย่างนี้นะเราจะใช้หูนี้ฟังแต่เรื่องดีๆเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะใจหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็อาจจะไม่ฟังกันเนาะอย่างนั้นเลยๆไปนะหาเรื่องดีๆฟังดีกว่าอะไรต่างๆ ตรงเนี้ยนะเราก็จะพบมาเหมือนกับจริงๆแล้วการทำดีด้วยตาก็ดีการทำดีด้วยหูก็ดีการทำดีด้วยจมูกด้วยปากเนะด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจเนะตรงเนี้ยมีโอกาสทำดีเยอะแยะไปหมดเลยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราได้ได้นึกแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเอาร่างกายนี้เนี่ยไปทำคุณงามความดีได้เยอะแยะมากๆเนาะอย่างนั้น ทำนองเดียวกันจิตใจของเราก็เหมือนกันเนาะจิตใจที่เหมือนกับว่าเราจะแบ่งเวลาให้กับการทําผิดคิดร้ายเนาะตรงเนี้ยเราแบ่งเวลาให้กับการคิดเรื่องราวดีๆนะเหมือนกับเมื่อกี้นะแบบว่าพระจันโกท่านก็พาแผ่เมตตาเนาะตรงนี้ก็แผ่เมตตาเนี่ยมันแผ่จากไหนแผ่จากใจเนาะใช่ไหมอย่างนั้นเวลาที่เรามีอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพอๆกันนะบางทีเวลาที่เรานึก คุณคิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องบาดใจบาดอารมณ์เนี่ยบางทีเราก็จมกับเวลานี้ไปทั้งวันทั้งวันนะฮะหมดเวลาไปวันวันหนึ่งกับเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอืมเราจะลองเปลี่ยนดูลองตั้งใจดูนะอืมนึกขึ้นได้ว่าเรื่องไม่เป็นกุศลเนี่ยตัดทิ้งไปเรื่องไม่เป็นกุศลเนี่ยตัดทิ้งไปตรงเนี้ยนะจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะเอากรรมาฐานเนี่ย ที่เราฝึกกันในแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจาวันเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลขึ้นมานะเป็นกุศลทั้งการกระทำเนาะแล้วก็เป็นกุศลทั้งกับการที่เราเนี่ยเหมือนกับการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยหลวงพ่อเทียนเนาะก็ให้กรรมาฐานเนาะบอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ใจเอามาคอยรับรู้อืมแล้วก็ ถ้าเกิดว่ารู้ว่าคิดเนาะก็ให้กลับมานะอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายใหม่นะอย่างเงี้ยคือแค่นี้เนาะมีกายมีใจเนาะตรงเนี้ยมีความคิดเนาะมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยคอยนะรับรู้นะกายเคลื่อนไหวคอยรับรู้ว่าใจตอนเนี้ยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายหรือเปล่าใจตอนเนี้ยหลงไปอยู่กับความคิดไหมเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยกรรมฐานตรงเนี้ยนะเป็นกรรมฐานที่เราสามารถที่จะเหมือนกับปึกไปเนาะปึกในรูปแบบก็ดีที่เราเรียกว่าการสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยเนะาะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไม่คุ้นเคยกับกรรมฐานใดๆเนี่ยเราเริ่มต้นเนาะเราก็ตื่นมาก็ขยับเนื้อขยับตัวกันทั้งวันแล้วการที่จะดิบเอาการเคลื่อนไหว ม, มาเป็นกรรมฐานบางทีก็ยากเหมือนกัน นั่นนัคือหลวงพ่เทียนก็ออกแบบนะเขาเรียกว่าออกแบบสิบสีท่าเอาไว้ให้แล้วจริงๆเรื่องการออกแบบตรงนี้ก็ถ้าโดยส่วนตัวก็ชื่นชมหลวงพ่อเทียนมากๆนะครเพราะว่าในแง่การที่ชอบชอบออกแบบเหมือนกันก็<笑><笑>เพราะว่านั่นคือเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราเดินจงกรมไปเนาะ ใบไม้ใบนี้มันวางแบบนี้สวยดีอืใบไม้ใบนี้มันน่าจะไปอยู่ใกล้ๆหินก้อนนั้นนะหินก้อนนี้มันน่าจะเรียงแบบนี้ดีกว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะใช่ไหมเราก็เหมือนกับว่านี่คือคล้ายๆว่าเราก็เดินจงกลมไปใจก็ไม่ได้อยู่กับกายเลยนะใจไปอยู่กับใบไม้ก้อนหินไปอยู่กับนูน่นกับนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่ เขาเรียกว่าอาศัสายส4จังมะของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็มีความคิดแวบขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะแบบอื่นไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกแบบหนึ่งอีกใจหนึ่งก็คิดว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อเทียนออกแบบเอาไว้มันก็หมดจดแล้วนะใช่ไหมอย่างนั้นคือไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากนะก็เป็นเรื่องที่จำง่ายถ้าเราจะออกแบบอย่างอื่นเนี่ยกว่ามันจะลงตัวแบบเนี้ยเมื่อไหร่มั น, นจะลงตัว นั่นก็คือตอนนั้นก็ความคิดแบบเนี้นะก็หมดไปง่ายมากนะฮะอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับการอ่าก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวสิบจังหวะที่หลวงพ่อเทียนทํามาไว้ให้ด้วยด้วยใจที่นับถือมากๆนะฮะเคลื่อนไหวทีไรเราก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยเก่งจริงๆออกแบบได้หมดจดมากเลยก็บางทีก็ได้ยินบางสํานักเนาะ แบบว่ามีการเคลื่อนไหวที่มากกว่า14จังหวะเป็น32สองจังหวะบ้างอะไรบ้างต่างต่างๆก็ไม่เคยได้ไปศึกษาตรงนั้นแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่า14จังหวะหลวงพ่อเทียนนี้ก็มีอนิสงฆ์มากนะฮะมีอนิสงฆ์มากแล้วก็ที่สําคัญคือง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องจํามากแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับเห็นตัวอย่างสองสมทีก็ทําได้แล้วไม่สับสนนะนั่นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า ก็อาศัยก็เรียกว่าสิบสี่จังหวะอย่างที่ใจก็ไม่เคยนึกเออะว่าไม่เหมาะไม่สมยังไงนะฮะตรงนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราอาศัยสามารถที่จะอาศัยรูปแบบในการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมาเป็นกรรมฐานเนาะนะมาเป็นการฝึกสติสติของเราที่เรามีอยู่กับตัวไม่เคยคิดใช้ ปีแล้วปีเล่าก็ไม่เคยคิดใช้ก็รู้จักกรรมฐานนี้ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกก็อายุสี่สิบเอ็ดอายุสี่สิบเอ็ดนี่ก็คิดว่าสี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมานี้นึกถึงสติไม่น่าถึงสิบครั้งนะสี <c> ่ <oughs> ปีครั้งหนึ่งสี่ปีครั้งหนึ่งไปอย่างนั้นเนาะอย่างนั้นนั้นนั่นคือตรงเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอเรามาอาศัย 14จังหวะเนี่ยปรากฏว่าเราสามารถใช้สติได้เหมือนกับว่าหัดใช้สติได้ทุกวินาทีทุกวินาทีตรงนี้โอ้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะฮะเป็นประโยชน์มากๆว่าคือการที่เราจะเหมือนกับสร้างความคุ้นเคยกับการใช้สติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยนะท่านทนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใชย่จะทำยังไงความรู้สึกตัวจะทำยังไง เนาะสติจะทํำยังไงอะไต่างๆนะันนะแต่พอเหมือนกับพอเวลาที่อาศัยเนาะการสร้างจังหวะ14จังหวะเนี่ยทุกความเคลื่อนไหวรู้ครั้งหนึ่งเนาะสติรู้ครั้งหนึ่งรู้กายก็ได้เนาะรู้ใจคิดนึกก็ได้เนาะกายเคลื่อนไหวรับรู้กายเคลื่อนไหวก็ดีแล้วก็ดีเนาะเผลอไปคิดก็เออก็ดีสติก็รู้ว่าเผลอไปคิดเนี่ยนั่นคือตรงเนี้ยนั่นะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่านี่คือเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่า การเจริญสติเนี่ยในแนวหลวงพ่อเทียนก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวแล้วนะก็ชื่นชมนะฮะนับถือ <c oughs> นับถือมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เนาะในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับ ง่ายเนาะง่ายได้เคยไป <c oughs> โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่โรงเรียนสัตยาสายนะของด็อกเตอร์อาจองชุมสายหรือไง น, นี่หละจำไม่ได้ท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกับได้คิดเรื่องยานวากาศอะไรนะต่างๆนานาเหล่านี้เนาะแล้วท่านก็เหมือนกับว่ากลับมา ตั้งโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยนักเรียนก็จะแบบว่าตื่นกันมาตั้งแต่ตีห้ามาทำวัดสวดมนต์กันแล้วก็หลังจากทำวัดสวดมนต์เนี่ยมันจะมีบทบริกรรมบทหนึ่งนะที่ท่านก็เหมือนกับว่าจะให้นักเรียนเนี่ยได้บริกรรมกันแล้วเรียกว่าต้องเรียกว่าบริกรรมกันเลยนะก็คือเราจะเอาตานี้นะไปมองแต่เรื่องดีด เราจะเอาหูนี้ฟ mm ังแต่เร mm ื่องดีๆเราจะเอามือนี้ทำแต่เรื่องดีๆแล้วเราจะเอาเท้านี้เดินไปหาเรื่องดีๆเนี่ยก็วันหนึ่งนี่แต่จำไม่ได้นะเพราะเนื่องจากว่าเป็นสิบปีแล้วนะที่ไปเยี่ยมตรงนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีการบริกรรมซ้ำๆซ้ๆซ้ๆซ้ๆๆกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันหลังทํันะอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับว่า เด็กๆที่ผ่านสัตยาสายเนี่ยเขาก็คงจะเหมือนกับว่าได้ได้เหมือนกับได้จดจำนะเหมือนเนื่องจากว่าทุกวันทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยจะมีบริกรรมอันนี้เนี่ยก็เท่าที่เห็นเนี่ยเขาคิดว่าเด็กเขาก็มีคุณภาพที่ดีทีเดียวเราได้พบเด็กชั้นมัธยมปลายของเขาเนาะโอ้พูดจาแบบว่าฉัชานมากเลยตอนนั้นได้ถามถึง เขาเรียกว่ามีนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งไปด้วยแล้วก็ได้ถามถึงว่าเนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยเขาอยากได้นายกคนไหนตอนนั้นบรรยากาศเลือกตั้งพอดีนะเด็กมัธยมปลายเนี่ยบอกว่าคนไหนก็ได้นะที่เนาะแบบว่าได้ทําประโยชน์เนาะกับตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทําประโยชน์กับคนอื่นด้วยตรงเนี้ยเรามี่อก่อนรู้สึกว่าโอ้ เป็นคําพูดที่ไม่ได้มีการเตรียมกันมาก่อนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เด็กพอฟังคําถามแล้วเด็กก็ให้คําตอบออกมาเลยซึ่งเรามีความรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอนิสงส์อันหนึ่งนะของการที่เขาถูกโปรแกรมมาทุกเช้ า, ท, ชาทุกเช้าได้การสวดมนต์ไหว้พระเนาะแล้วก็การที่เหมือนกับได้ฟังอย่างที่บอกว่าเราจะเอาหูนี้ฟังเรื่องดีๆเอาตานี้แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า ที่มาที่ไปเนี่ยไม่เหมือนกับเราที่เราเนี่ยเราว่านี่เราอาศัยเนาะกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นกรรมฐานเมื่อเราอาศัยกายที่เคลื่อนกายที่เคลื่อนไหวเป็นกรรมฐานเนี่ยตรงนี้เนี่ยการทำกรรมฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ณขณะที่เรายังอยู่ในรั้ววัดเนาะณในขณะที่เรากำลังทำกรรมฐานกันในรูปแบบตรงนี้เนาะเราจะพบว่าอนิสงค์ของการที่เราก็เรียกว่า เรามีกรรมฐานเนี่ยจะเป็นคนที่เพิ่งหัดก็ดีจะเป็นคนที่ทำจนคล่องแคล่วแล้วก็ดีจะเป็นคนที่ก้าวหน้าในธรรมมากๆแล้วก็ดีเนี่ยแต่เราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยกรรมฐานจะช่วยเราเนาะช่วยให้เรามีอารมณ์ขุนมัวที่ไม่มากเนาะรับรองได้เลยว่าคนอยู่ในวัดเนาะคงจะไม่เอะอะอึดตโลเอากับใครอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยจิตใจเนาะที่เหมือนกับว่าเราเองเราอยู่ในวัดเนี่ย การที่เราจะไปขุนคล้องมองใจกับใครก็ไม่มากไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปอยู่ข้างนอกชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยรับรองได้เลย <c oughs> ว่าอาจจะต้องปะทะคารลมกับใครเนาะปะทะอารมณ์กับใครนะปล่อยอารมณ์กับใครอะไรเยอะแย ะ, ยะไปหมดนะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าเราเนาะเรามีกรรมฐานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอากายนี้ใจนี้เนี่ยไปทำประโยชน์เนี่ย ได้อย่างดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการที่เราเหมือนกับอยู่ในโลกนี้เาอยู่ในโลกนี้ในมุมของคำกะตันยูก็ดีก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอุพการีของเราเนี่ยพอมองมาที่เราเนาะเราก็เหมือนกับว่าได้ทำคุณงามความดีตรงนี้ไม่เคยไปทำผิดคิดร้ายอะไรยังไงต่างๆนานาเหล่า น, า น, านี้ตั้งแต่เข้าวัดมานะโอ้แบบว่าลูกเรานะ ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยนะตรงนี้เองเนี่ยจิตใจพ่อแม่ก็ชื่นใจเนาะทำทางเดียวกันพูดที่กระทำเนี่ยคือเป็นเราก็ดีใช่ไหมที่ได้ลงมือทําไปสิ่งที่เราลงมือทําก็ดีมากแล้วเนาะแล้วก็ยังมีผลกับคนอื่นๆนะอีกเยอะแยะไปหมดเลยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาเรียกว่านี่คืออนิสงนะก็เรียกว่าของกรรมฐานอานิสง์ของเขาเรียกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไวนะ้เราตรงนี้พนระพุทเจ้าบอกว่าปฏิบัติกันนะการเจริญสตินี่ใช่ไมหมฮะอย่างนั้นสติเนี่ยเป็นมารดาเนาะของธรรมทั้งหมดเลยนั่นนั่นคือเราเนาะพอเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเนาะตรงนี้เนี่ยผลของการที่เราเองเนาะเราก็เหมือนกับมีทุกข์ในชีวิตน้อยลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยคาที่พระพุทธเจ้ายืนยันมาปฏิบัติได้และให้ผลได้เนี่ย ตรงนี้มันก็ปรากฏกับเราศรัทธาที่มีในพระพุทธเจ้าก็จะเป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นเนาะบางทีเมื่อก่อนนี้เนาะตอนที่เขาเรียกว่าบทสวดมนต์เย็นเนี่ยกาเยนะวาจายะวเจตสาวาเนี่ยตรงนี้เนาะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่เราเนี่ยได้ทำไม่ดีเนาะกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมกับพระสงฆ์เนี่ย บางทีเราก็อาจจะเคยมีนะเอ๊ะพุทธเจ้าแบบว่ามีพูดผิดบ้างไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยเอ๊ะพระธรรมนี่มีไหมใช่ไหมอย่างนั้นมีจุดว่างชุดเช่าจุดบ้างจุดโบว่างหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาหรือว่าเมื่อก่อนนี้พระสงฆ์ก็ศาสตร์ไปทั่วเลยนะฮะสีนี้ล่ะไม่มีคนไหนดีสักคนอะไรต่างๆนานานะท้ายสุดเนี่ยก็เวลาที่เราสวดมนต์ทำบัดเนี่ยตอนเย็นเนาะ ถ้าเกิดว่าเราได้พลาดพลั้งไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพระพุทธเจ้าเองก็อย่างนะมันมันก็เรียกว่าได้ช่วยให้เราเนี่ยได้เหมือนกับไถ่โทษน้ำพานเนาะก็เรียกว่าบทสวดมนต์ตรงนี้นั่นนั่นคือตรงนี้นะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นก็เรียกว่าเวลาที่เราอยู่ตรงนี้นะเวลาที่เราอยู่กับพระธรรมก็ดีเวลาที่เราอยู่กับคาสอนของครูบาอาจารย์ก็ดี เวลาที่เราอยู่กับกรรมฐานของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมังคีนก็ดีเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราอยู่กับตรงนี้เนาะถ้าเราไม่ปันใจเป็นอื่นเนี่ยอา น, นิสงส์ไม่มากก็น้อยเนี่ยต้องมีกับพวกเราแล้วก็ความไม่ทุกเนี่ยพวกเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่รู้ละแต่ว่าพวกเราได้สัมผัสแล้วแล้วก็พวกเราก็ไม่รู้สึกตัวแล้วถ้าพวกเราเนี่ยยืนยันเนาะตั้งใจที่จะทําตรงนี้ต่อไปทําตรงนี้ต่อไปเนี่ยความที่เหมือนกับว่า ความไม่ทุกข์เนาะในชีวิตเราเนี่ยต้องปรากฏกับเราอย่างแน่นอนนะพวกเราก็กล่รวพร้อ ม, มกัน